ขณะขับรถกลับจากงานศพของสามีนางเนยนายสมชายดูเคร่งครึมไม่ช่างเจรจาพาทีเหมือนเช่นเคยจนท่านพระครูรู้สึกผิดสังเกตความทุกข์อันใหญ่หลวงที่ชายหนุ่มกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือทำอย่างไรจึงจะมีเงินแต่งงานฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดเป็นเงินถึงสี่หมื่นบาทอีกทองมั่นหนักห้าบาทเบ็ดเสร็จแล้ว เขาจะต้องมีเงินถึงสี่0มืนแปดพันบาทจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าบ่าวเงินตั้งเกือบครึ่งแสนจะไปหาได้จากที่ไหนกู้ยืมใครเขาก็คงไม่ให้เพราะไม่มีหลักทรัพย์คำประกันครั้นจะเอาวัดป่ามาม่วงไปจำนองกับธนาคารก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะอนุญาตหรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งร้อนรุ่มกลุ่มสวง แต่การก่อนก็สุขใจสุขกายสบายดีอยู่พอมาตกห่วงรักเหวลึกก็มีอันทุกข์ระทมตรมไม่ไม่เว้นแต่ละวันนี่แหละนะขําว่าอยู่ดีไม่ว่าดีลูกศิษย์ก้นกุตินึกสมน้ำหน้าตัวเองสงสัยว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ จะขึ้นทางทิศตะวันตกเสยกแรมังท่านพระครูปเปรยขึ้นคิดว่าฝ่ายนั้นจะโต้อตอบก็เห็นยังเงียบอยู่นายสมชายกำลังใช้ความคิดอย่างหนักจึงไม่ได้ยินที่ท่านพูดกำลังเข้าฌานอยู่รืงไงสงสัยจะเข้าจะตุถะฌานท่านเย้ยอีกครั้งนี้คนถูกเย้รู้สึกแค่ว่ามีเสียงผ่านหู หากมิได้สำเนียกว่าท่านพูดว่ากระไรสมชายเธอเอาหูมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าลืมไว้ที่บ้านงานโน่นจะกลับไปเอาก็อย่างทันนะครั้งนี้ท่านพูดดังกว่าเก่าอะไรนะครับหลวงพ่อว่าอะไรคนถูกเรียกเพิ่งจะรู้สึกตัวทำไมเดี๋ยวนี้ เธอเม่อเม๋อยังไงชอบก้นมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็ก็กไม่ไม่มีอะไรนี่ครับปฏิเสธเสียงอ่อยไม่ไม่มีก็แปลว่ามีเพราะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธย่อมกลายเป็นบอกเล่าเธอมีอะไรไม่สบายใจก็บอกมา หรือถ้าไม่บอกมาฉันจะได้บอกไปท่านเริ่มยัว่วนายสมชายไม่มีอารมณ์จะโต้อตอบจึงระบายความกลุ้มให้ท่านฟังแทนฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดทองมั่นตั้งร่มห้ามื่นผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็เลยร้อนร่มกลุ้มทรงอยู่นี่ไงครับแหมน่าสงสารจริงเอาเถอะตัวฉันน่ะ สงสารเธอใจแทบขาดและฉันก็อยากช่วยเธอทว่าไม่อยู่ในฐา น, นะที่จะช่วยได้ก็เลยจะไม่ช่วยโทรลงพ่อพูดเสด็จ ด, ดีที่แท้ ก, ก็จะสรุปว่าช่วยไม่ได้ผมรึออุตส่าห์ตั้งใจฟังนายสมชายต่อว่ารู้สึกความทุกข์ค่อยเบาบางลงเมื่อได้ระบายให้ท่านฟังอ้าวก็จริงจริงนี่นะ ฉันอยากจะให้เธอสมหวังแต่ฉันก็ไม่มีเงินเดือนเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําแล้วก็ไม่ได้เป็นพนัก ง, งานบริษัทเงินห้าหมื่นฉันก็พอมีหรอกแต่เป็นเงินที่เขาบริจาคถ้าเธอจะเอาไปโอไม่ครับลุงพ่อผมทาอย่างนั้นไม่ได้มันผิดเจตนารงของญาติโยมเขาเขาเจตนาทำบุญ ไม่ได้ให้ผมเอามาแต่งเมียชายหนุ่มปฏิเสธเป็นพลวันก็ใครว่าฉันจะทำอย่างนั้นล่ะฉันอย่างพูดไม่ทันจบเลยอ๋อหรือครับขอประธานโทษถ้าอย่างนั้นนิมนหลวงพ่อพูดต่อให้จบเธอครับไม่ต้องแล้วก็ส่วนที่ฉันจะพูดต่อน่ะเธอพูดมาหมดแล้วเอแต่พอมีทางนะ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 เธอจะเข้าไปทำอะไรก็ไปติดต่อกับผู้จัดการธนาคารสิครับลุงพ่อว่าควรจะกู้ธนาคารไหนดีเขารีบขอคำปรึกษาธนาคารไหนก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเขายอมให้กู้แต่เธอไม่ต้องไปให้เสียเวลาหรอกเพราะฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเขาทำกัน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 จึงพูดให้สติแก่เขาว่าสมชายเอ่ยอายุฉันก็ปูนี้แล้วล่วงการผ่านวัยมาก็มากและที่สำคัญที่สุดคือฉันกำลังเดินตามมันค่ะที่เป็นทางสายเอกจะให้เปลี่ยนไปเดินสายโทรสายตรีนั้นฉันไม่ทำแน่ เธอปัดความคิดเช่นนี้ออกจากสมองได้แล้วลูกศิษย์วัดยังไม่หายเคืองคุณจึงเถียงไปข้างๆคููคูว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับผมเคยอ่านข่าวอยู่บ่อยๆคนอายุเจ็ดสิบยังแต่งงานกับคนอายุสิบเจ็ดขนาดถือไม้เท้ายักแย่ยักยัยนก็ยังอุตริมีเมียคราวลูกคราวหลานนับประสาอะไรกับคนอายุเพิ่งจะห้าสิบอย่างหลวงพ่อ นั่นเขาเป็นครือัดแต่ฉันเป็นบันพ ช, ชิตไม่เหมือนกันหรอกนะท่านพระครูแย้งเสียงเรียบถึงบันพ ช, ชิตก็เถอะบางรูปขนาดเป็นถึงท่านเจ้าคุณก็ยังอุตส่าห์ศึกมาแต่งงานหลวงพ่อจะให้ผมเอ่ยชื่อไหมละ่ะท่านพระครูเห็นว่าจะไปกันใหญ่จึงรีบกล่าวห้ามสมชายสมชายอย่าลามปาม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 ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะท่านได้จึงนิ่งเสียท่านพระครูรู้ว่าเขายังไม่หายหงุดหงิดจึงพูดให้กําลังใจว่าอย่าวิตกทุกขร้อนไปเลยอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ฉันก็ขอรับรองว่าเธอต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอเวลาหน่อยเท่านั้น คนฟังรู้สึกใจมาเป็นกองจึงกลับมาเป็นสมชายคนเดิมอีกครั้งหน่อยของหลวงพ่อนะ่ะกี่ปีครับอยาให้ผมถึงกับต้องตะวันน้ากินนะครับก็ไม่แน่ถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นก็อาจเป็นได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาล่ะครับสิ่งก้นกุฏิเริ่มมีอารมณ์ยั่วยาไม่ปรารถนาอะไรไม่ปรารถนาเช่นนั้นนะครับ ผู้ไม่ใช่ยวนโดยกําเนิดเจตนายวนหายหงุดหงิดแล้วรึท่านพระครูกลับย้อนถามผมนะหรืองุดหงิดเรื่องอะไรครับคนถามแ้งตีหน้าเหลือเรื่องไม่มีเงินไปซื้อบวงมาผูกคอน่ะสิแม้หลวงพ่อพูดอะไรอย่างงั้นกระเดียวผมก็เปล่นใจไม่ตกไม่แต่งมันซะเลยคนพูดปากไม่ตรงกับใจ ดีฉันขออนุโมทนายิ่งบวชตลอดชีวิตได้ยิ่งดีลุงพ่อครับคนเป็นสิทธ์ตั้งใจลากเสียงให้ยาวแล้วว่าก็ถ้าบวชกันสมบตแล้วใครใครจะมาขับรถให้หลวงพ่อนั่งล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อคิดจะขับเองขอรับอยากรู้ก็ลองบวช ด, ดูสิยังไม่กล้าลองหรอกครับ ยังไม่กล้าเดี๋ยวเกิดติดใจบวชแล้วไม่ยอมศึกเหมือนหลวงพ่อแฟนผมก็ไม่ขันมากนะสิครับแต่ประเพณีโบราณเขาต้องบวชก่อนเบียดนะนี่เธอคิดจะเบียดก่อนหรือไงก็ดวงผมมันเป็นอย่างนั้นนี่ครับคนพูดโยนกล่องไปให้ดวงเธออย่าให้ดวงมากําหนดเธอสิเธอควรจะกําหนดดวง มันถึงจะถูกจะถูกยังไงก็ต้องแพงกว่าเผือกอยู่ดีนั่นแหละครับท่านพระครูรู้สึกงงจึงน้อนถามว่าอะไรแพงกว่าเผือกพูดเรื่องดวงอยู่ดีๆไงเอาเผือกเข้ามาเกี่ยวด้วยก็มันสิครับที่หลวงพ่อว่ามันถึงจะถูกผมก็ว่าถูกยังไงก็ยังแพงกว่าเผือกอยู่ดีหรือว่าหลวงพ่อเคยเห็นเผือกแพงกว่ามันครับ สมชายเธอเคยเห็นไหมที่อยู่ดีๆก็เห็นดาวระยิบระยับไปหมดทั้งที่ความจริงไม่มีดาวสักดวงบนท้องฟ้าน่ะเคยหรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามอย่างเหลืออดเหลือทนเต็มทีไม่เคยไม่เคยครอบหลวงพ่อแล้วผมก็ไม่อยากมีประสบการณ์อย่างนั้นด้วยก็พอจะรู้รู้ว่ามันคงไม่สนุกนักหรอก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 รับรองว่าฉันไม่ต้องอาบัตแน่เพราะกรณีนี้ไม่มีผู้กระทามีแต่ผู้ถูกกระทาเท่านั้นท่านพระครูเล่นสำนวนบ้างมันก็ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกรรมที่หลวงพ่อเคยสอนนะสิครับเอหรือว่ากรรมมันคอร์รัปชันเขาทำทีครุ่นคิดใส่ร้ายกรรมระวัง กมจะเล่นงานเธอเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันไม่เตือนวัดจีกรำนั้นถึงจะไม่มีผลมากเท่ามาโนกรรมแต่มันก็ทำให้คนฟันหักมามากต่อมากแล้วได้ผลเพราะครั้งนี้นายสมชายปิดปากเงียบมีใช่ว่ากลัวท่านพระครูจะทำร้ายเพราะท่านไม่เคยทำร้ายใครทว่าตัวเขาเริ่มจะมองเห็นทุกโทษแห่ง จีกรรมนี่กระมังที่คนโบราณเขาสอนไว้ว่าพูดไปสองไั่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหลวงพ่อครับเท่าแก่หิมจะไปเกิดที่ไหนครับทุกคติหรือสุคติอ้าวทำไมเปลี่ยนเรื่องซะแล้วละ่ะท่านพระครูกแกล้งยั่วก็ผมเคารพนับถือหลวงพ่อจึงต้องเชื่อฟังหลวงพ่อสิครับ งั้นหรือแต่กว่าจะเชื่อฟังก็เล่นเอาฉันเหนื่อยเลยเอาเถอะสำหรับเรื่องของเธอฉันรับรองปีหน้าได้แต่งงานแน่รอไหวไหมไหวครับแต่ผมขอไม่บวชนะครับเพราะหวงว่าจะไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตามใจแต่ต้องเข้ากรรมฐานส5บห้าวันแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าทำได้ก็จะได้กุศลแรงกว่าพวกที่บวชจิมจิมจำจำเสออีกครับผมยอมรับข้อเสนอแต่ในสิบห้าวันที่ผมเข้ากรรมฐานหลวงพ่อต้องไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกนะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าละเลยต่อหน้าที่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าโจบภาพเขาอาสารับส่งฉันก็รับนิมนต์ได้ครับ แต่หลวงพ่อต้องไม่รับนิมนต์ติดต่อกันทั้ง15้าวันนะครับแต่วันพระฉันก่งงดรับนิมนต์อยู่แล้วแต่หลวงพ่อครับแต่อะไรอีกละ่ะฮ้ยสมชายคือผมชักจะเวียนหัวกับคำว่าแต่เสร็จแล้วละครเราเลิกพูดแต่กันดีไหมครับแต่ฉันยังไม่อยากเลิกนี่ท่านพระครูยั่วอีก ถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์หลวงพ่อพูดเธอครับแต่ผมไม่พูดแล้วนั่นไงขนาดว่าไม่พูดก็ยังเผอแต่ออกมาจนได้ก็มันลืมนี่ครับแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่ลืมเอาเถอเอาเธ อ, เ อ, เธอฉันก็ชักจะเวีนหัวเหมือนกันสรุปว่าเรื่องของเธอไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใดและฉันก็ขอบอกว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งเงินเดือนให้เธอเดือนละหนึ่งพันบาทย้อนหลังไปถึงเดือนที่เธอเริ่มมาทำหน้าที่ขับรถให้ฉันแต่ก็มีเงื่อนไขว่าแน่หลวงพ่อแต่อีกแล้วเธอหน่าอย่าชักใบให้เรือเสียเงื่อนไขก็คือฉันจะจ่ายให้เธอก็ต่อเมื่อฉันมีเงินส่วนตัว ที่ไม่ใช่เงินวัดคืนนี้ฉันจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินส่วนตัวใช้โดยไม่ต้องรับราชการให้ผมอธิษฐานเองไม่ดีกว่าหรือครับจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงพ่อสิทยิก์ก้อนกุฏิพูดอย่างเกรงใจคนที่ไม่ได้ทำไว้อธิษฐานไม่ขึ้นหรอกสมชายไม่งั้น ก็อธิษฐานให้โรยกันหมดทุกคนแล้วของอย่างนี้มันต้องทำต้องสร้างไว้ก่อนกรรมไม่เคยขอรับชันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายหรือครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขอกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อจะอธิษฐานเผื่อผมแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับว่าเท่าแก่หิมแกไปเกิดที่ไหนเธอจะอยากรู้ไปทาไมกัน รู้ไปประดับความรู้นะครับเพื่อสอนตัวเองด้วยงั้นฉันก็จะบอกแต่ก่อนอื่นฉันขอถามเธอก่อนว่าคนที่ดับจิตในขณะที่ยังห่วงลูกห่วงเมียนะ่ะจิตเขาเป็นอย่างไรจิตมีโลภะครับแล้วคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะจะไปเกิดทุกขติหรือสุ ข, ขติละ่ะ ทุกคติครับไม่เป็นเปรตก็ต้องเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งถูกแล้วฉันกำลังจะบอกเธอว่านายหิมเข้าไปเกิดเป็นเปรตแล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรือครับช่วยไม่ได้ก็เขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยคนที่ฉันจะช่วยได้นั้นจะต้องมีทุนเดิมอย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นทุนที่ว่านี้ หมายถึงกุศ ล, ลกรรมถ้าใครมีกุศ ล, ลกรรมอยู่หกสิบเปอร์เซนตแล้วมาให้ฉันช่วยก็พอจะช่วยได้แต่เขาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยอย่างเช่นฉันบอกให้มาเจริญกรรมฐานเพื่อเพิ่มทุนถ้าเขาไม่มาหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติจริงจังก็ไม่ได้ผล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 ไม่งั้นก็คงไม่เชื่อเหมือนกันเอาละเอาละจบบทสนทนากันเสียทีจะถึงทางแยกเข้าวัดแล้วดูซ้ายดูขวาให้ดีละ่ะประเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับเขาท่านพระครูเตือนถึงมีโอกาสก็ไม่แต่งหรอกครับหลวงพ่อแม้อยู่ดีไม่ว่าดีจะให้ไปแต่งงานกับภูเขาเสียแล้ว แต่งกับคนยังพอว่าลูกศิษย์วัดไม่ไหวเล่นลิ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้ตอบเพราะต้องทำหน้าที่มองซ้ายขวาช่วยคนขับซึ่งพูดมากปากไม่ค่อยได้พักผ่อนเช่นนายสมชายผู้นี้เมื่อรถตู้สีครีมเลี้ยวขวาออกจากถนนสายเอเชียนายขุนทองซึ่งมันนั่งดักรออยู่ที่ศาลาตรงปากทางเข้าวัด ก็วิ่งมาสกัดหน้ารถนายสมชายจึงจอดรับเขาขึ้นมาด้วยไปในมาคุณทองสามทุ่งกว่าแล้วยังไม่หลับอีกหรือคนขับตั้งคำถามหลับได้ไงล่ะพี่เบนอตาคนนั้นจนอุกแตกอุกเต้นเลยต้องหนีมานั่งที่สันหลานายขุนทองตอบแล้วราย ง, งานท่านพระครูว่าหลวงลุงฮะมีตาคนหนึ่งมารอหลวงลุงอยู่ที่กุฏิ หนูพาไปห้องพักก็ไม่ยอมไปแกว่าแกป่วยมากเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วมาถึงกุฏิข่าได้ยังไงหรือว่ามีคนหามาก็ไม่ทราบเหมือนกันเหอหนูกำลังจะปิดกุฏิตอนเกือบสองทุ่มแกก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาแล้วก็นอนร้องโอยอยู่หน้าอาสนะหลงๆนั่นแหละแสดงว่าเขาป่วยมาก แล้วเองทิ้งเขาไว้อย่างนั้นนะหรือทิ้งแขกของข้าซึ่งกําลังป่วยหนักให้นอนอยู่อย่างนั้นหรือขุนทองท่านเอ็ดหลานชายโธหลวงลุงฮอ ห, หนูทนไม่ไหวจริงๆแกเหม็นอย่างร้ายกาจขนาดหนูเข้าไปหลับอยู่ในห้องกลิ่นเหม็นนั้นก็ยังตามไปราวีหนูอ้วกจะไม่มีดีทนอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยอมแพ้ เลยเดินเล่นๆมาจนถึงสลานั่นละฮะหาลานชายที้แจงเขาเป็นอะไรถึงได้เหม็นขนาดนั้นหนูก็ไม่รอบฮอสงสัยคอเกจะเนา่าน้ำเหลืองไหลยเยิ้มเลยแล้วเขามาจากไหนเอ็งถามหรือเปล่าหนูไม่กล้าถามฮอกลัวกลิ่นเน่าเข้าปากแค่เข้าจมูกก็เกือบตายแล้ว นายสมชายอดรนทนไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นว่าเอ็งพูดเกินความจริงแล้วมั่งขุณทองคนเป็นๆอะไรจะเหม็นขนาดนั้นนายคุณทองชักอารมณ์ไม่ดีด้วยดูเหมือนไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาบอกกล่าวจึงแวดใส่คนอายุมากกว่าว่าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ก็ไปดูเองแล้วกันแล้วก็จะรู้ว่าหนูไม่ได้โกหก พอดีกับรถเล่นมาจอดที่ด้านหลังกุติทันทีที่ก้าวขาลงจากรถท่านพระครูก็มีอันต้องกำหนดได้กลิ่นหนาข้างฝ่ายนายสมชายถึงกับบนอุบอะไรกันวะขุนทองรุนแรงถึงขนาดนี้เชียวหรือเป็นไงหนูกโกหกหรือเปล่าฝ่ายนั้นได้ทีจึงย้อนให้แล้วหันไปพูดกับท่านเจ้าของกุติว่าหลวงลุ ง, ลงหอ คืนนี้หนูขออนุญาตไปนอนกับหลวงพี่โบเฮียรนะฮะคืนนอนที่นี่มีหวังอ้วกทั้งคืนท่านพระครูรู้นิสัยของหลานชายที่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจึงไม่ยอมอนุญาตด้วยเกรงพ่อตัวดีจะไปทำให้พรมจันท ร, ร์ของภิกษุหนุ่มต้องมวมองไปไม่ได้เอาเถอะข้าอนุญาตให้เองขึ้นไปนอนบนห้องนายสมชาย แล้วให้เจ้าของห้องไปนอนที่กุฏิพระบูหียวแทนขอบพระคุณครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมเก็บรถแล้วก็จะไปอาบน้ําที่นั่นเลยโอ้ยขืนอยู่คงต้องอ้วกแข่งกับเจ้าขุนทองมันนายสมชายว่าแล้วจึงนำรถเข้าไปเก็บฝ่ายนายขุนทองก็กระฟัดกระเฟียดเดินเอามืออดจมูกเข้าไปในกุฏิแล้วก็ขึ้นไปนอนชั้นบนท่านประครูไม่ว่ากระไรเพราะแม้ท่านเอง ก็ยังแทบทนไม่ได้เมื่อเดินไปนั่งที่อาสนะกลิ่นนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนท่านเกือบจะต้องใช้มือปิดจมูกเห็นท่านเข้ามาปุรุตวัยหกสิบพยายามยันกายลุกนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งลุงพ่อครับช่วยผมด้วยโอ้ยทรมานเหลือเกิน เขาพูดพลางส่งเสียงโครนครางโยมเป็นอะไรมาท่านเจ้าของกุฏิถามโอ้ยหมอเขาว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับพาตัดมาแล้วสองครั้งก็ไม่หายมันเหม็นเหลือเกินครับหลวงพ่อโอ้ยผมกะจะมาตายอยู่กับหลวงพ่ออ้าว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 อย่าพูดปดนาอาตมารู้ว่าโยมาจากเชียงใหม่เคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วพันยาเป็นเจ้าของร้านขายผ้าไหมอยู่ในเมืองลูกชายเป็นปลัดอำเภอลูกสาวเป็นพยาบาลถูกหรือเปล่าถูกครับ ทำไมหลวงพ่อทราบถามด้วยความสงสัยก็กดแห่งกรรมของโยมบอกอาตมา น, น่ะสิไหนบอกชื่อและที่อยู่มา ก, ก่อนแล้วที่มานี่เพราะเพื่อนบ้านแนะนามาใช่ไหมเหล่าถึงผมไม่บอกหลวงพ่อก็ทราบนี่ครับโอ้ยปุรุษนั้นรู้สึกศรัทธาในตัวท่านขึ้นมาทันที มิเสียแรงที่ลงทุนจ้างรถแท็กซี่มาส่งด้วยราคาถึงห0 0ร้อบาทแต่อาตมาต้องการให้โยมบอกเอาละ่ะช่วยจดใส่สมุดเล่มนี้ให้อาตมาด้วยอาตมาจะเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านส่งสมุดเล่มหนาให้อดีตอาจารย์วิเทาลาัยเกษตรกรรมรับมาหากไม่สามารถเขียนได้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 อาตมานึกว่าปวดมากจนเขียนไม่ได้เสอีกพูดแล้วจึงส่งปากกาให้ปรุฎวัยหกสิบรับมาแล้วเขียนชื่อนามสกุลพร้อมทั้งที่อยู่ของตนลงในสมุดแล้วส่งคืนให้ท่านอ๋อชื่อชิดหรือครับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าอาจารย์ชิด และเห็นกฎแห่งกรรมของเขาอย่างทะลุปรปโปรง่งทว่าบุรุษนี้กลับไม่เห็นกฎแห่งกรรมของตัวเอง